อันพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้พระองค์ก็ไม่ได้ปารบถึงเรื่องอื่นใดหรอกความจริงนะถึงแม้ว่าพระองค์จะปารบเรื่องอื่นก็เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้ผู้ฟังนั้นได้มากําหนดรู้แจ้งในรูป ก, กับน้ำนี่แหละแต่ถ้าหากว่าพระองค์จะแสดงแต่รูป ก, กับน้ำ หรือว่าขันห้านี่โดยตรงเลื่อยไปนี่คนฟังก็บเบือ่อคนผู้มีอินทรีย์อ่อนอยู่นั้นแทบจะไม่รู้จักเลยรูปกระธรรมเป็นอย่างไรนามมาธรรมเป็นอย่างไรแทบจะไม่รู้เลยนั่นแหละเมื่อพระองค์ได้อุปมาอุป ม, มาอะไรมาประกอบเข้าด้วยแล้วก็จึงพอรู้ได้ เป็นอย่างนั้นก็ความจริงแล้วดวงจิตของคนเรานี่มันก็มาหลงอยู่กับรูปกับนามนี่นี่แหละก่อนอื่นทั้งหมดเลยมันหลงอยู่รูปกับนามนี่ก่อนอื่นเมื่อมันหลงอยู่กับรูปกับนามนี่แล้วมันก็จึงหลงออกไปในเรื่องอื่นนอกจากรูปกับนามอันนี้ออกไป เรียกว่าหลงไปทั่วแหละเมื่อมันได้หลงภายในนี้แล้วนะแต่ถ้ามันรู้แจ้งนามกับรูปอันนี้ตามเป็นจริงแล้วมันก็รู้แจ้งไปหมดเลยในวัตถุต่างๆในโลกสนิวัตอันเนี้ยเพราะว่ามันมีสภาวะเหมือนกันนะเหมือนกันเพราะฉะนั้นแหะพุทธศาสนกชนทั้งหลายไม่ควรที่จะ เบื่อนายในคำสอนของพระเถรเจ้าควรมาศึกษาสตดับรับฟังคำสอนของพระเถรเจ้าเ <ừ> พราะ <ừ> คำสอนของพระเถรเจ้านี่พระ อ, องค์สอนให้เราละความหลงความไม่รู้นี่นะออกจากจิตใจ น, นีน่ถ้าพูดกันโดยตรงนะถ้าโดยลำพังแต่ตัวของตัวเองนั่น ไม่สามารถที่จะขจัดความหลงออกจากดวงใจอันนี้ได้ใจนี่หลงอยู่อย่างไรก็หลงอยู่นั่นนะไม่มีอบายจะมาแก้ไขเลยเส้นบางคนนะ่ะเมื่อได้ทําอะไรไปมันผิดหวังมาแล้วก็เสียใจเศร้าโศกอยู่นั่นแหละไม่มีอบายอะไรเลยที่จะมาละความเศร้าโศกเสียใจเอต่างๆนั้นได้นี่ ก็ทุกข์ละทมใจอยู่อย่างนั้นบางคนก็ถึงกับได้ฆ่าตัวตายเพราะมันไม่มีอุบายปัญญาที่จะมาเปื้องความผิดหวังต่างๆใน ใ, นใจอันนั้นได้ <c oughs> เราคิดดูเป็นอย่างนี้แหละความจริงนะอัตภาพร่างกายนี่นยะมันไม่ได้ทำอะไรให้ใครเลยบุญกรรมตกแต่งให้มาให้ดวงขิดนี้ได้มาอาศัยอยู่ ถ้าหาว่าว่าตามเป็นจริงแล้วนะบุญกรรมนํำดวงกิจนี่มาเกิดในรูปในนามอันนี้มาอาศัยอยู่ในรูปในนามอันนี้ก็เพื่อให้สร้างบุญบรารมีเพื่อให้สั่งสมคุณงามความดีให้มากขึ้นในตนเอในชีวิตหนึ่งๆ น, นี่นะก็ เ, ะเมื่อบุคคลสร้างบุญกุศลยังไม่เต็มตราบใดแล้วก็ยังพ้นทุกข์ไปไม่ได้ตราบนั้น อันนี้มันเป็นกฎธรรมดาอันหนึ่งพึ่งพากันเข้าใจไว้ถ้าว่าไม่ต้องจำไม่ต้องจาเป็นต้องสร้างบุญให้เต็มมันก็พ้นไปได้อย่างนี้เหมันก็จะมีใครอยู่ข้างโลกอันนี้ล่ะนั่นเนี่ยมันก็หนีจากโลกอันนี้หมดแล้วแหละเนอบางคนก็ทำบุญมากมายสละเงินเป็นล้านๆก็มี แต่แล้วก็ยังพ้นจากทุกไปไม่ได้ <c oughs> ดูตั้งแต่พระเวทสันดรเป็นไงล่ะพระเวทสันดรให้ลูกให้เมียเป็นทานให้ช้างให้มาพระที่นั่งเป็นทานให้ราชรดเป็นทานให้เงินทองเข้าของเป็นทานอยู่ตั้งเจ็ดวันนั่นก่อนจะออกหนีไปบวชอยู่ในเขา ว, วงกอ จนกระทั่งแผ่นดินไหวปานั่นแหละแล้วพอเวสันดรก็ยังพ้นทุกข์ไม่ได้ชาตินั้นหมดอายุสังขารแล้วก็ยังไม่เกิดอีกอยู่แต่ว่าด้วยอํานาจบุญกุศลนั่นก็ให้ไปเกิดสวรรค์ชั้นดุสิตนุน่นไม่ได้ไปต่ําแล้ว <c oughs> แต่ก็ยังไม่พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายหมายความาอย่างั้น เมื่อมาถึงยุคถึงสมัยของพระองค์จะได้ตัดสรุ้เป็นผู้เจ้าแล้วก็จึงได้จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตนั้นลงมาเออมาเกิดกับพ น, นางสตรีมหามายาเทวีอัคมเมสีของพระเจ้าสุโทธทนะมหาราชครั้งนั้น เ, ออเมื่อเกิดมาแล้วถึงเวลาเสด็จออกบวช บุญนั่นแหละบุญกุศลที่พระ อ, องค์ทำมามากต่อมากแล้วนั่นเลอมาโดนบันดาลให้พระ อ, องค์เบื่อหน่ายในการครองราชสมบัติมองดูอะไรก็เห็นจะเป็นของไม่เที่ยงไม่ยังยืนทั้งนั้นเป็นความสุขทั่วคราวไม่ใช่ความสุขอันทาวมั่นคงนความจริงปราสาทราชมทีนที่พระ อ, องค์ประทับอยู่นั่นล้วนแต่สวยสดงดงาม มีแต่ความสุขความสาําราญไม่ทุบร้อนอะไรแต่แล้วพระปัญญาบา ร, รมีแก่กล้าเต็มที่แล้วก็เป็นเหตุให้พระองค์ได้มองเห็นว่ามันเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละสุขมันก็สุขเจืออยู่ด้วยทุกข์ไม่ใช่สุขกล้นล้วนแบบนี้พระองค์จึงนึกเสียว่าอันสุขที่ไม่เจือด้วยทุกข์นั่นคงมีแน่ แต่ถ้าเราจะมาสเสวงหาความสุขอันไม่เจือด้วยทุกข์อยู่ในพระรา ช, ชวังอย่างนี้นี่คงจะไม่ได้พบแน่นอนเพราะว่ามันเกลื่อนกลอยู่ด้วยกรรมคุณทั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสซึ่งเป็นเสมือนอย่างเหยื่อเกี่ยวอยู่กับเบ็ดสําหรับไปล่อ ป, ปลาอยู่ในน้ําปลาหลงไม่เข้าใจว่ามันมีเบ็ดอยู่นั้นก็ไปงับเอา เบ็ดก็เกาะปากอืมไปไม่ได้ก็ต้องเป็นอาหารของมนุษย์ไปอันผู้รู้ทั้งหลายผู้มีบุญหนักสักใหญ่ท่านไม่หลงเหมือนปลาหลงเหยื่อเบ็ดทีนี้แม้จะได้สวยสุขสมบัติอันมโหฬารอย่างไรพระองค์ก็ยังมองเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของอํานวยความสะขวกให้ทั่วคราวแต่ความทุกข์สิ มีอยู่มากมายทุกอะไรล่ะอา้าวทุกแก่ทุกเจ็บทุกตายนี่แหละนี่เป็นทุกประจําร่างกายสังขารอันนี้เมื่อผู้ใดยังมาอาศัยร่างกายสังขารนี้อยู่รีกเลี่ยงไม่ได้เลยความทุกข์เหล่านี้ก็ต้องได้เผชิญกับความทุกข์เหล่านี้ทุกรูปทุกนามไปเลยธรรมดาผู้มีบุญมากเมื่อท่านพิจารณาอย่างนี้แล้ว ก็ทรงพี่นาสืบต่อไปว่าไอ้หนทางที่จะดำเนินไปสู่ความพ้นไปจากลูปจากน้ำอันนี้คงจะมีหรือไม่นอนี่เนะี่ยพระองค์ก็ดำหลี่อย่างนี้ เ, ออเมื่อเสด็จไปเที่ยวระภาสสวนอุทยานก็จึงไปเห็นวันพระชิตรูปหนึ่งนั่งสมาธิอยู่ในสวนอุทยานนั้นด้วยความ ส, มบสงบเงี่ยม เห็นเข้าแล้วก็ น, นึกพอพระหาฤไทยว่าเออนี่เพศบรประชิตยอย่างนี้นี่เป็นเพศอันสงบระงับผู้ถือเพศอย่างนี้นี่น่าจะได้พบทางพ้นจากทุกข์ดังกล่าวมานั้นได้แน่นอนเลยทีเดียวถ้าอย่างนั้นเอาละเราก็จะต้องถือเพศบรประชิตนี่แหละ <c oughs> เมื่อเสด็จกลับพระนครแล้ว คนนอนหลับไปหมดแล้วพระองค์ก็จึงค่อยเสด็จลงจากปราสาทพร้อมกับนายฉันนะนั่นนายฉ <c oughs> ันนะนั่นเป็นคนเลี้ยงานาพ า, าพระองค์วิ่งออกจากกรุงกบินภัทไปสู่แม่น้ำเนรัญชลา พระ อ, องค์ก็ไปตัดพระเมรีมถือเพศเป็นบรรปชิตอยู่ระหว่างกลางน้ำเนรัญชลานั้นเสร็จแลว้วก็ทรงสเสวงหาความสงบสงัดจเจริญสมาธิภาวนาต่อไปแต่กระด้วยว่า บุญกรรมที่พระ อ, องค์ทำมาแต่ก่อนนั้นมันก็มีทั้งดีทั้งชั่วอย่างว่านั่นแหละเอากรรมชั่วมากีดกันไว้ไให้พระ อ, องค์ได้ตัดสู้ง่ายๆพระ อ, องค์ก็ภากเพียรพยายามไปอยู่งั่นแหละจนว่าหกปีกรรมชั่วเหล่านะั้นมันยึงระ ง, งับไปได้พอกรรมชั่วระ ง, งับไปพระ อ, องค์ก็มองเห็นทางตัดสู้ได้โดยถูกต้องเลยเป็นทางสายกลางนั่นเอง แล้วพระ อ, องค์บำเพ็ญไปตามทางสายกลางนั้นก็จึงได้ตัดสรุปสัมมาสัมโพธิญาณตามพระประสงค์จำหนงหมายแต่พระพุทธเจ้าวางพระ อ, องค์น่ะพระองค์ไม่มีกรรมไม่มีเวรอย่างว่านั้นเช่นพระศรีอริยเมตไตรนี่สเสด็จออกบวชบำเพ็ญภาวนาอยู่เพียงแค่เจ็ดวันเท่านั้นเลยก็ได้ตัดสรุปสัมมาสัมโพธิญาณเลย <c oughs> แต่ถึงอย่างไรก็ทำแหละในเมื่อพระองค์สามารถหลุดพ้นจากนามจากรูปจากความเกิดแก่เจ็บตายอันนี้ไปได้แล้วก็เป็นอันว่าพระองค์ได้ทำประโยชน์ของพระองค์สำเร็จลุล่วงไปแล้วแล้วพระองค์ก็ได้ช่วยชัดโลกทั้งหลายให้พ้นทุกข์ไปตามเรียกว่าตามภูมิวาสนาบา ร, รมีของพระพุทธเจ้านั่นแหละ หมายความว่าพระองค์ได้ทำหน้าที่ของความเป็นพระพุทธเจ้าอย45ปีก็เป็นอันว่าจบลงพระองค์กระดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปอันการเล่าเรื่องพุทธประวัติมาสู่กันฟังนี่นะมันก็มีความหมายนะมีความหมายว่า ผู้ฟังทั้งหลายควรจะนึกคิดว่าบุญบาปนั้นมีจริงนี่ถ้าหากว่าบุญบาปไม่มีจริงแล้วชีวิตของคนเรานี่จักไม่เจริญขึ้นจักไม่เสื่อมลงเคยเกิดเป็นอย่างไรก็คงเป็นอยู่อย่างนั้นเหมือนกับต้นไม้ใบหญ้านี่มันเกิดขึ้นมาเป็นอย่างไรก็เป็นไปตามเรื่องมันอยู่นั่นอ อันนี้คนเรานี่ไม่เป็นอย่างนั้นนี่อ้นนอาวชาตินี้เกิดมาทำความดีเข้าไปชาติหน้าต่อไปก็จเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปกว่านี้เมื่อทำบุญกุศลความดีมากๆเข้าไปมีใจเลื่อมใส ย, ยึดมั่นในคุณพระรัตนกรเป็นที่พึ่งเราไม่นับถือาาศาสตราศาสตราใดในโลกนี่เป็นที่พึ่งเลยเ เรานับถือพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์นี่แหละเพราะว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอืโดยส่วนเดียวเลยอะไม่ไม่มีแม่ข้อแม่อย่างอื่นใดเพราะว่าเรามองไปเห็นเลยว่าบุคคลอื่นจะไปมีคุณวิเศษยิ่งไปกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ไม่มี <c oughs> นี่เราต้องพิจารณามองให้เห็นอย่างนี้มันจึงทำให้ความเชื่อความเลื่อมใสของเรามั่นคงเข้าไปไม่จืดจางไม่เบือนายถ้าว่าเพียงแต่เชื่อตามๆกันไปเฉยๆแล้วไม่มันน้อมมันนึกเข้าไปในใจไม่พิจารณาถึงความเป็นมาของพระตนากายนี่นะให้ละเอียดถี่ทุวน จนให้มองเห็นว่าเป็นของประเสริฐล่ำเลิศจริงๆอย่างนี้นะถ้าไม่เห็นอย่างว่านี้นะี่มันก็ความเชื่อนะั้นมันก็ไม่แน่นอนเลยอไปๆนอนหนึ่งก็เสื่อมได้เมือนเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าพากัรนิ่งนอนใจเรื่องเกี่ยวกับคุณพระรัตนกรายนี่นะเราต้องดูสําหรับตําราเข้าไปพุทธประวัติหมู่นั่นนะ แล้วธรรมะหมืนนั้นต้องดูเข้าไปแล้วตดพิจารณามเมื่อดูจำได้บางเรื่องบางตอนเกี่ยวกับพุทธประวัติอย่างนี้นะก็น้อมเข้าไปคิดไปกลองพิจารณาให้มันเห็นแจ่มแจ้งในใจของตนจริงๆว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ประเสริฐอย่างนั้นอย่างนั้น ที่พระ อ, องค์ประเสริฐอย่างนั้นเพราะอะไรก็เพราะบุญบา ร, รมีเตัวเองกระถามตัวเองตอบตัวเองให้ได้อย่างนั้นแหละเพราะพระ อ, องค์สร้างบุญบา ร, รมีมากกว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายดังนั้นพระ อ, องค์จึงทรงคุณพิเศษอันประเสริฐนั้นกว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายอาศัยบุญกุศลนี่แหละไม่ใช่ว่า พระองค์วิเศษเองโดยไม่ต้องอาศัยบุญกุศลไม่ใช่อย่างนั้นนี่อาศัยที่พระองค์ทําบุญกุศลมากเนียเช่นอย่างว่าให้ทานอย่างนี้พระองค์ก็ให้ทานมากมาในสงสารคขนาด น, นับชาติไม่ทวนเลยอืบางชาติเนี่ยเกิดในตระกูลเศรษฐีชาติที่เป็นสุมเมธะดาบุนั่นน่ะ อันชาต์นั้นไม่ไม่ยอมแต่งงานเลยเลี้ยงพ่อแม่ไปเมื่อพ่อแม่หมดอายุสังขารไปแล้วท่านก็สรละสมบัติเข้าของเงินทองเหล่านั้นให้เป็นทานแก่คนทั้งหลายหมดแล้วก็หนีเข้าป่าไปบวชเป็นพระฤๅษีจนได้บรรลุอ่อาอภิญญานห้าเหาะเฮินเอิ น, อ, นอากาศได้ชาตินั้นแหละชาตินั้นแหละที่ได้รับ รัชพยากรจากพระพุทธเจ้าวิปัสสีว่ายังตั้งแต่นี้ไปอีกเก้านะสิบเอ็ดกัป้นสุเมธาดาบทฤสีนี่จักได้ตัดสรุปเป็นผู้เจ้าทรงพระนามว่าพระสมณโคโดมบรมคูชื่อที่พระบิดาหรือว่านักบวชตั้งให้เรียกว่าสิทธัตถราชกุมารแต่ชื่อโคตวงแล้วก็เรียกว่า พระสมณะโคโดมเพราะว่าพระองค์เป็นโคตมะโหสถก็คิดดูสิเมื่อได้เป็นฤาษีถึงหอเหินเดินอากาศได้อยู่นั่นนะยังต้องสร้างบา ร, รมีไปอีกถึงเก้าสิบเอ็ดกลับกวัวว่าบา ร, รมีนั้นจะเต็มบริบูรณ์จะได้ตัดสู้เป็นพุทเเจ้านะ เพราะฉะนั้นพระองค์เจ้าจึงทรงคุณนันประเสริฐเนื้อมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนั่นเนี่ยเราพากันพิจารณาดูแล้วให้เกิดความจรรยัใจความเลื่อมใสอันใดมันก็จะบังเกิดขึ้นในใจแต่ยังไ น, นอยากสักแต่ว่านับถือไปตามธรรมดาธรรมเนียมเฉยๆว่าเราเกิดมาเป็นคนไทยก็ต้องนับถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ แล้วก็กราบกราบไหว้ไหว้กันไปตามธรรมดาแล้วมองไม่เห็นสิ่งที่เรานับถือนั้นว่าประเสริฐล้ำเลิศอย่างไรก็มองไม่เห็นด้วยปัญญาอย่างนี้มันก็จะได้อานิสงส์เพียงเล็กน้อยต่อนานการนับถือไม่ได้อานิสงส์มากให้พากันเข้าใจเมื่อลงได้นับถือแล้วก็ต้องให้มันได้ผลมากจริงๆสิ เหมือนอย่างเราทำการทำงานอะไรนี่ทำนาทำสวนหรือทำการค้าขายหาเงินหาทองอะไรใครใครทำอะไรก็อยากให้ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยทางนั้นแหละไม่ใช่ว่ามุ่งว่าทำไปแล้วต้องการให้มันได้ผลนิดหน่อยอย่างนี้ไม่มีผู้ใดทำอะไรลงไปแล้วต้องการให้ได้ผลเต็มที่เลยทำน้อยก็ให้ได้ผลตามน้อยทำมากก็ให้ได้ผลตามมาก นี่แต่ทำงานในทางโลกนะมันก็ยังงุ้งหวังผลอย่างนั้นมันจึงมีกำลังใจทำาเนี่ยอยังเป็นครู่าอาจารย์สั่งสอนนักเรียนอย่างนี้เนะี่ยเป็นครูนั่นก็ย่อมมีความหวังอยู่สองอย่างหวังอย่างหนึ่งนั่นหวังช่วยชาติอหวังอบรมแนะนำสั่งสอนคุณลบุตรที่เกิดมาในภายหลัง ให้เขารู้จักชาติศาสนาพระมหกากษัตริย์ช่วยกันให้เขามีวิชาความรู้อช่วยกันรักษาเอกรักของประเทศชาติไว้สืบต่อกันไปอันนี้ประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองคือเพื่อการเลี้ยงชีพแม้ใครจะมีการงานมีหน้าที่อะไรอยู่มันก็ต้องเอาปากเอาท่องไปด้วยไปไหนก็ตามอยู่ไหนก็ช่างออจะเป็น เจ้าในเจ้าใหญ่นายโตเป็นใครๆก็ตามแหละมันก็ต้องเอาปากเอาท้องไปด้วยต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพราะฉะนั้นทำางานอะไรลงไปแล้วมันก็หวังให้ได้ปัจจัยสี่นั่นแหละมาบำรุงอัจะภาพร่างกายอันนี้อันนี้ก็เป็นกฎธรรมดาอันหนึ่งเหมือนกันนะนะคนเกียรขคาน ทำการงานเกียดคร้านศึกษาเรียนวิชาความรู้อย่างนี้มันก็ไม่ได้ปัจจัยสี่นั่นมาบำรุงอัตภาพร่างกายนี่ให้สมมาพาควรอดอดอิมอ่มอิมไปอย่างนั้นแหละคนไม่มีปัญญาคนขี้เกียจขี้คร้านทำการงานคนไม่สำรวมตนให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีอย่างเช่นบุคคลเป็นคนใจเลอะเล ะ, ละเหลวไหลโกรธง่าย อย่างนี้นะใครตำหนิตีเสียนี้หน่อยก็โกรธด่าว่าเสียดสีเขาอย่างรุนแรงอย่างนี้มันก็มีแต่คนรังเกียจแหละผู้ใดมีนิสัยแบบนั้นนะอยอมหาความเจริญได้ยากเต็มเีใครก็ไม่อยากคบข้อมหาสมาคมเลยถ้าผู้ใดนั้นฝึกใจของตัวห้หนักแน่นให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณความดี ไม่วันไว้ต่อคําด่าว่าเสียสีคํานินทาว่าร้ายต่างๆมื่นนี่นะอดทนได้รักษากิริยามารยาทให้เป็นปกติปกติไปได้ในเวลาที่ถูกเขานินทาว่าร้ายต่างๆตนก็อดกัน้นทนทานภายในจิตใจไว้ได้เมื่อมันอดได้แล้วทางภายในใจได้แล้วมันกิริยาทางกายวาจามันก็สงบสงี่ยมอยู่ตามเดิม มันก็ไม่แสดงออกซึ่งความชั่วต่างๆออกมาทางกายทางวาจาเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่มีความอดทนเช่นนั้นท่านจึงกล่าวว่าเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนั่นแหละใครอยากจะให้คนเขายกย่องสรรเสริญรักให้เอ็นดูนะต้องฝึกใจของทนให้หนักแน่นตั้งมั่นอยู่ในขันติธรรมดังกล่าวมา เรียกว่าฝึกใจใเป็นสมาธินั่นแหละถ้าฝึกใจให้เป็นสมาธิได้แล้วก็หมายความว่าผู้เป็นผู้มีขันติธรรมพร้อมกันไปนั่นแหละผู้ใดขาดความอดทนแล้วผู้นั้นจะทําใจให้เป็นสมาธิไม่ได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่าไปลืมขันติธรรมนี่นะขันติโสรจะจัความสงบสงเงี่ยม ผู้มีความอดกั้นทนทานแล้วนี่ก็ย่อมเป็นคนสงบสงเงี่ยมไม่มีกิริยาหยาบโลนต่างๆนานามันเป็นคู่กันนั่นเนี่ยแล้วผู้มีใจสงบระ ง, งับก็เพราะมีความอดทนสู้กับอํานาจของกิเลสต่างๆที่มันเกิดขึ้นในใจเมื่อสู้กันอดกั้นทนทานไม่หวนไหวไปตามมันมันก็ดับไปกิเลสเหล่านั้นนะมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ แต่มันก็ไม่ดับมันก็ไม่ดับหมดไปจริงๆหรอกแต่ว่ามันอ่อนกำลังลงมันไม่มีกำลังที่จะมาครอบงมจิตใจได้นั่นแหละพอเราเราเราไม่ยึดถือเอามันนี่เราไม่วันไหวไปตามมันมันจะแสดงอานาจยังไงยังไงมารบ ก, กวนจิตใจเพื่อให้ใจนี้มันพุ่งไปตามอารมณ์ต่างๆนะั้นเราไม่ไปอย่างนี้นะ เราอดกั้นไม่ไปตามมันพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะนี่เพ่ง อ, อยู่ภายในนี่เพ่งอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกอดกั้นเข้าไปมันจะยากลําบากเลยก็สู้สู้ไปสู้มากิเลสสู้เราไม่ได้มันก็อ่อนกําลังลงก็สงบลงไปใจเราก็สงบลงพร้อมกันแบบ น, นี้ น, นั่นแหละก็จะเป็นบอ่อเกิดแห่งปัญญาความรู้ความฉลาด อันโมนี้นะคุณธรรมโมนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของเราที่เกิดมาในโลกนี่เราจะต้องบําเพ็ญคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดให้มีขึ้นในใจให้ได้ถ้าไม่เช่นนั้นเราเราก็พ้นทุกข์ไม่ได้จริงๆเออพ้นทุกข์ในอบยัยภูมิทั้งสี่เป็นเลยอ่ะไม่ได้ละคนขาดความอดทนแล้วมันก็ต้องไปทําบาปนั่นแหละเอาไปเอามานะ่ะนั่นเนี่ย อขาดความอดทนแล้วมันก็ตันหาความอยากอีไยมันก็ครอบงําจิตใจขึ้นอืก็ให้ใจนะีมันอยากได้อะไรต่ออะไรมากมายกายกองเมื่อมันมีความอยากมากเข้าไปอย่างนั้นแล้วไปแสวงหาสิ่งที่ต้องการนั้นรู้ว่ามันเป็นบาปอยู่มันก็ยอมแบบนี้นะเพราะมันอยากได้หลายเหลือเกินนะบาปก็ยอมแล้ว ทำยังไงได้เราอยากได้นี้อมนีย่ยกตัวอย่างให้ฟังผู้หญิงมีผัวอยู่แล้วอย่างนี้เอาไปเห็นชายอื่นไปรักกับชายอื่นเข้าไปแล้วก็ไปติดตามชายอื่นนั่นไปทิ้งลูกกับผัวไว้ข้างหลังเอา้าบาปก็ช่างมัน้นบาปก็ยอมบาปเพราะมันรักมันชอบอืมนี่ยกตัวอย่างให้ฟังแม่เรื่องอื่นอื่นก็เหมือนกันนะ เหมือนกันเมื่อปล่อยให้ความอยากท่วมทนหัวใจเข้ามาแล้วมันจะไปตกนรกกี่หลุมมันก็ยอมนะอนี่ะโทษที่บุคคลไม่ฝึกฝนจิตใจเนะี่ยไม่อดไม่ทนต่อความชั่วร้ายต่างๆในที่สุมันก็ไปทําให้ไปสร้างบาปทําบาปนั่นแหละตายแล้วก็ไปสู่นรกอาบายภูมินะไม่ไปไหนแล้วออเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วนะให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจให้พึ่งพากันสนใจศึกษาธรรมะคำสอนของผู้เเจ้าให้เข้าใจแล้วโนโ้มมาวินิจฉัยพิจารณาตามที่แนะนำสั่งสอนนี่แหละให้รู้จักคาความหมายแห่งพระธรรมนั่นนั้นความหมายในทางปฏิบัตินะ เมื่อรู้จักความหมายทำปฏิบัติก็ลงมือปฏิบัติเช่นยกตัวยอย่างว่าเรารู้แนวทางการทำใจสงบเป็นสมาธิอย่างนี้นะเมื่อรู้อะไรอย่างนี้นก็ลงมือทำไปเรื่อยๆจนกลัวว่าใจเนี่ยมันจะสงบลงไม่ท้อไม่ถอยอย่างนี้นะนี่แหละเป็นหัวข้อธรรมะที่แนะนำตักเตือนในวันนี้ดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้